เสียด้สด้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้ น, นทำไมถึงเป็นอย่างนั้ น, เ, น, น, นเขากาลังมีศรัทธาว่ามาบวชมันดีเรื่องเกินทำไมพระไทยเนียนไทยทำไมถึงศึกกันเขาตกใจเขาน้อยใจทำไมเป็นอย่างนั้นทาไ ม, มตื่นเต้น เขกันตื่นเต้นโดยการศึกของพระไทยเนรไทยก็เข้ามาพบใหม่ๆนี่เขาตั้งใจมีศรัทธาน่ยบวชนี่มันดีแล้วเขาตั้งใจคิดว่าจะไม่ศึกแล้วมันดีแล้วนศึกไปทําไมใครศึกแล้วก็งงเท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเนรไทยเข้าพรรษาแล้วก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็ศึกโอ้ยสะดดใจตกใจ ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ตัววัปัโยหรือตัวสําคัญโอ้สองสารนี่สงสารพระไทยเว้ย ส, ง ส, สงสารสงสารสามัญไทยไปขายทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพอดีคิต่อมาต่อมาก็พระพารังกูอยากศึก บ, บ้าง ครัลังก็อยากสึกมากก็ได้ศึกได้เห็นเป็นของที่ไม่สําคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสําคัญมากการบวชนึกว่าจะเอา ง, ง่ายๆนึกว่าจะทำเอา ง, ง่ายเมื่อใจของคนกําลังมีศรัทธามันพร้อมรู้ทุกอย่างคิดอะไรมันก็ดีคิดอะไรมันก็ถูกไปทั้งนั้ น, นไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเราเอง ของเจ้าของไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตนี่ท่านทำยังไงท่านจะต้องมีลากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตของท่านแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรนึ้นมากผมก็เหมือนกัน <c oughs> ถูกบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึก ไม่ได้ฝึกฝนนะครับแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกํากเนิดของเราคนไม่รู้คระเนนที่บวชพร้อมๆกันมาออกพรรษาแตะเขาสึกเอามองเห็นว่าเอ๊ะ้พวกนี้มันยังไงกันนาะแต่เราก็ไม่ปลาพูดครับเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราพวกนี้มันงูงหลาย บวชมันบวชยากสึกมันสึกง่ายไอ้พวกนี้มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากก็ทางธรรมะนี่เราก็เห็นไงแต่เราไม่พูดแต่เราไม่พูดเราก็ดูดู ด, ดูมองดูดูเตนในจิตของเกี่ยวของเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันสึกไม่ด้วย บางทีก็เอาเครื่องเตียงตัวมาใสา่เข้ไปเดินอืเราเห็นมันเป็นบาวมดทุกกระเบียดเลยแต่เขาว่ามันดีสวยซื้อไปจะต้องไปทําอย่างนั้นซึ้ไปจะต้องไปทําอย่างนี่อุ้ใหญ่ตโตโหดท้านแต่เราก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดเพื่อนครับคิดอย่างนั้นมันผิดก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรายังมันเป็นของไม่แน่อยู่ ว่าศรัทธาของเราเนี่ยมันจะยืดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรเขาจะไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจนาจะในจิตของเของด้วยพอเพื่อนศึกไปได้ตกระทอดอะไรแล้วมาไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอานังสือปฏิโมกมาดูเลยท่องปฏิโมกสัมยนะอยู่กับเพื่อนก็ไปอยู่ข้างๆ พ่ะราไปหาท่องปฏิโมกคงจะฟองอยู่บอว่าเราบนหมดภาระกับพวกผูงแลไม่มีใครมารอเดียนอะไรเล่นต่อไปตั้งใจเลยแต่เขาไม่พูดป่าอะไรเ <c oughs> นี่ยอย่างนี้เราเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตเอาหาไม่บางทีก็าอายุเจ็ดสิบก็มีแปดสิบก็มีเก้าสิบก็มี เราจะพยายามปฏิปทาให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้มันคลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาให้มันมั่งเสมออย่างนี้มันยากหนักย่างั้นจึงไม่กล้าพูดทิ้งไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นคนที่โวอดมาประวอดไปคนที่สึกกอดสึกไปอะไรก็ล้วก็ดูอยู่ไม่กล้าจะพูดอยู่มาเรื่อยๆอยู่ไปก็มีว่าจะสึกก็มีว่าดูเพื่อนเข้าไป แต่ความรู้สึกภายในจิตของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่เห็นชัดไอ้พวกฝลังที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นอย่างอย่างบรปพลญยตกใจเห็นผ้าบวชพรรษาหนึ่งก็ตกใจสึกอะไรใครมาพรรษาสึกอย่างนี้คือคือว่ามันไม่รอบครอบในตัวเองนั่นเองอต่อมาต่อมาก็เรียกว่า เบื่อเบื่อความเป็นอยู่ของเราเบื่อความเป็นอยู่ของเป็นพระภิกษุสามเณรเบื่อพมจันท์คลายความเพียรคลายอ้อคลายออกมาเรื่อยๆมาคนสุดทก็สึสกวัดปัญโยทำไมต้งสึกละ่ะ แต่ก่อนเห็นพระไทยสื่อได้ไหม่เสียดายน่าสล ด, ดทั้งเวตสงสารตัวเราสืกอทำไมไม่สงสารตัวเราหรือเนี่ยไม่พูดยิ้มยิ้มเท่า น, นั้นไม่พูดนี่อเรื่องการปฏิบัติในจิตของเจ้าของเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินใดง่ายๆเพราะว่าพยานมันมันไม่มีเพราะเอาตัวเองเปลี่ยนพยานมันน้ามากอยู่นะ เรื่องราวต่างๆมันมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเนี่ยเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานเราเป็นธรรมหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกหรล่าหรือยังอืมถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือเรายึดความถูกอยู่มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนะเนี่ยมันจริงเป็นของสําคัญ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 ใครตำรวจอะไรนีพันตรีอะไรที่เขียนหนังสือมาผมว่จาจ่าหนังส่อง่ตายเป็นตายอืมอย่างนี้มันคือความรู้สึกเกิดขึ้นภายในจิตของเจ้าของตายเป็นตายมันหนังสือนัเกเลงอย่างนี้พอรู้สึกอย่างนั้นก็พูดไปเลยว่ามันตายเป็นตายอือย่างนี้ พอมีความรู้สึกขึ้นอย่างนั้นก็เอาผมเคยมีสมัยหนึ่งเรื่องการอยู่ในพรหมจรรย์นี่แม่มันมีศรัทธามากเล้วเกินนะพูดถึงการศึกนี่โอ้ยไม่มีนะผมยังเอาปากกาสมุดมาบันทึกในเวลานั้นขนาดนั้นมันก็ยังไม่พอใจ เนี่ยพยายามหาเด็กที่มาสักให้มันเป็นตัวหนังสือใส่วีแขรงวะมันโง่เรงขนาดนั้นแหละว่าันโง่เรงขนาดนี้มันแปลกนะอืมบางทีว่ามันถึงที่สุดแล้วเ่าไม่ถึงแล้วเมื่อเราคิดอะไรเมื่อมันถึงที่สุดนึกว่ามันมันถึงที่สุดมันนั่นไงก็ ก็ให้มันถึงมันซะเราไม่ต้องยินดีกับมันเราไม่ต้องยินไล่กับมันเรารู้มันอยู่แต่นั้นมีหลายพประการหลายมีมากที่บประการในเรื่องทั้งหลายลนั้น แค่นั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของเจ้าของนี่ว่ามันง่ายหอกแต่ว่ามันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากนะมันทายากยากมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันมานมันเป็นเทพบุตรมาณมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรมันถูกไปทั้งนั้น อันนั่นก็ดีอันน้งก็ถูกตีไปก็ไปยึดในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกระลำไปอีกลว อ, อันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมันในครั้งพุตธกาลเราก็มีพระเนี่ะ บวชมาพรรษาหนึ่งสองพรรษาบรรลุพระอรหันต์ก็มีอืบวชวันนั้นก็ผมมันตกลงกนผมมันตกลงไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เราองค์อื่นคนที่มีศรัทธามากๆคือมันประกอบไปด้วยศรัทธามากมันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญา สมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวเป็นไปคิดอะไรก็ไม่ปมันมีศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอธิโมก ศรัทธาทีโมกนะ่ยมันมีศรัทธาจริงแต่ว่าศรัทธามันตราบจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในคณะนั้นเราคุณเรื่องว่าปัญญาเราก็ไม่อย่างนมันก็เลยไม่มองเห็นความผิดความรู้สึกผิดในที่นั้นศรัทธาทีโมก ศรัทธาที่ปราศจากปัญญามันมีความเชื่อวิธนั้นท่านจึงจัดกำลังทั้งห้าไว้ศรัทธาวิริยะสะติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียร สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดเด้วยว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึงอืปราดท่านจัดทาตั้งห้าประการ น, นี้เป็นตอนๆเพื่อ เรามองดูปริยัติที่เราเรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับคณาจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อหมเราเป็นยังงั้นหรื อ, อยังวิริยะเรามีเพียรหรื อ, อยังที่เราเพียนอยู่นี่มันถูกหรือผิด อันนี้เราต้องพีจารณาใครก็เพียนกันหมดทั้งนั้นเนี <S <S ่ยเตว่าเพียนที่ประกอบไปด้วยปัญญามีหรือเปล่านี่อันนี่งเป็นของสำคัญสติสติดีกว่ <S <S 1> <S 1> กวเหมือนกันแมวก็มีสติเหมือนกันะอืมเห็นหนูขึ้นมาสติมันก็รู้ขึ้นมาตามันจอน้องเลยมันสติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างอสะติมัน สิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมีอยู่สัตสัตว์ปีระชามันก็มีอัญมณีมันก็มีปลาดมันก็มีนี่สมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมั่นอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีอืมแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะคุบหนูกินนี่เยาวายังไงอืมความมุ่งมั่นของมันมี สตินั่นก็เรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมัน่นมันก็หมายมั่นว่าจะทําอย่างนั้นมันก็มีอยู่แต่ว่าปัญญาปัญญาความรู้มันก็มีเทวารู้มันไม่รอบเหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์ทำไมมันจะไม่มีมันรู้อย่างสัตว์ รู้แม่มันรู้จะแตะคุปหนูกินดูอาการกิริยาหนูมันจะกระโดดขึ้นข่างบนลงข่างล่างมันจะไปตรงไหนอะไรเน่ยมันมีสติควบคุมทั้งนั้นนแต่ว่ามันมีสติในทางที่จะแตะคุหปหนูกินเป็นอาหารอืมมีปัญญาเพื่อจะแต่คุปหนูกินเป็นอาหาร ทำทั้งห้าประการนี้ทันยีกว่ากำลังชิงทั้งห้าประการนี้มันเกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่ารัทธาวิทยะสติส ม, มาธิปัญญานี่มันเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่า ในสมมาทิฏฐินั่นมันเป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าให้เป็นสัมมาทิฏฐิอืมอันนี้มันต้องรู้ชัดสมมาทิฏฐิคือความมุ่งมั่นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่มันเป็นของไม่แน่นอนแค่นั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้ยึดแต่ยึดท่านยึดไม่ให้มัน่นท่านยึดจับมาดู นี่คือผลอะไรเท่านั้นจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรจะควรทำอย่างไรนี่ผลไม้อันนี้เท่านั้นไม่ใช่กายึดมัน่นไม่ใช่การยึดมัน่นยึดไม่ให้มันมัน่นคือยึดไมให้มันเป็นภพตัวยึดมันไม่เป็นภพคือไม่มีตัณหาก็ไปปะปน มันไม่ต้องเป็นนั่นมันไม่ต้องเป็นนี่มันหมดมันสิ้นในการกระทําอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีอะมันยึดในความดีนั่นไหมมันยึดในความร้ายนั่นไหมนี่อันเราจะควรพิจารณาทิฏฐิคือความเห็น ในหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารวบรู้พอสมควรก็มีเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นเห็นว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขา นี่ซึ่งเป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นแต่ว่าเห็นแล้วท่านรู้มันโดยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับกลับมันไปเห็นว่าตัวดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่เห็นว่าตัวเสมือก็เขานี่ก็ไม่ใช่เห็นว่าตัวนี่มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ ความเห็นถึ่งเป็นสมาธิิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนล่ะอืเห็นมาเราดีกวัวเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักมันมีปัญญาอืเห็นมาเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็ตีเสมอกันเท่านั้น เห็นว่าเราเหลวกว่าเขาเน่ะแล้วก็ตกใจคิดอาภัพอับจนทถานั้นมันด้วยอุปทานขันห้าทั้งนั้น่มันพบชาติทั้งนั้นเี่ยนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างหนึ่งว่าเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจ เราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ไม่ดีคือเราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั่นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่เอาไปวัดดูทีเอาไปวัดดูทีที่เราอยู่อารมณ์อยู่ทุกวันเนี่ยอารมณ์ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันเปลี่ยนไหมเมื่ <S <S มอกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่มันเปลี่ยนไหมแต่มันคงที่ ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะใกล้เทียงแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวนะอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึ่งไปมันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็จะเสริมจะเสริมเพ้่ไปเราเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่ก็นำวัง ม, มันระวัง มันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะได้พิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่ตามตัญหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงความจริงท่านให้รู้ทางดีทางชั่วเมื่อรู้แร้ยกท่านก็ให้ละทางดีทางชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่ เป็นอยู่มันมีพบอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้แค่นั้นเรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ท่านยังห้ตัดสินเอาเองอย่าพึงไปตัดสินในคนอื่นเลยอืจะดีจะร้ายประการใดต่างก็พูดให้ฟังเท่านั้นนี่มันเรื่องเรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างงาั้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า เช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาขึ้นมาแต่คนอื่นเนี่ว่าท่านขโมยของผมผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆใหร้พระกรไปตัดสินจะตัดสินว่ายังไง <c oughs> <c oughs> ก็ไปถามพระนั่นมาเป็นพยานในสงฆ์นะผมเอากิงครับแต่ผมไม่ได้ขโมอย <c oughs> อย่างเรื่องที่มันเคยเป็นมาน่นเนี่ย เรื่องอาบัตสังคาที่เสียดอาบัตปาราชิกอะไรผมทําอย่งงางนั้นอยู่วเนี่ยผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้า ข, ของเท่านั้นเนี่ยก็ไว้ตรงนั้นอืมแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นอะเรื่องปิดไม่อยู่เทางนั้นเรื่องมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้ เรื่องมันจะดีกว่าปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดเพรามันไม่ได้คือมันเปิดมันเองมันปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างนะอืมมันเป็นเรื่องของอย่างนี้อย่าคาดเอาอย่าคณีเอาอย่าเดาเอาอืม ทิ้ทั้งหลายแล้วนี้อะไรมันเป็นอภิชามันไม่หมดมวันนั้นอย่างองค์ขมวัตทอ่ะองค์ขมวันทีเคยถามผมหลวงพ่อพระอนาคามีเนะี่ยจิตเป็นอภิสอนหรือเปล่าเป็นมั่งอพระอนาคามีทนละกามได้แล้วทําไมไม่เป็นจิตอภิสอนท่านละกาลไหนเดืออยู่ใช่ไหม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 บาดขนาดเล็ดอย่างกลางบาดขนานดนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กเท่าไรก็ช่างมันนยังมีบาดนี่มันเป็นใช่อย่างนั้นอย่างว่าโซดาคีคานาค า, าราจิเดตได้แล้วนะอืมแต่ว่าออมันหมดแต่แค่ที่นั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นนี่ยถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นพระอรหันนี่มันก็หมดเท่านั้นเนี่ย มันมองไม่เห็นเอาอิจฉาเนี่ยมันมองไม่เห็นนี่อยู่นั่นเนี่ยถ้ากาจิดปัญาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามีเนี่ยก็หมดนี่อันนี้มันยังเป็นอยู่เป็นอยู่มันจิตเป็นอภิสสารไหมก็เป็นมั้งแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนจะให้เราตอบยังไงทันเนี่ยวันวันดังเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิมันเป็นอย่างดังมันมีอยู่แล้ว อันนี้คือเหมือนกันย่าไปประมาทเราระวังองค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องให้ระวังให้ระวังนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอืมเนี่ยผมก็เคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหรือหลายอย่างเหมือนกันแต่แล้วมันไม่ถูกทางเธอเนี่ยคือมันอวดดับอวดดีคือในจิตมันเป็นมานะอันหนึง่ง ทิศธีความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่นพูดได้เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกัน น, นี่ผมเคยพูดในฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นวงตาหอผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของยายของโยมไหมนในไตรจีวรก็หอเข้ามาในวัดเลย ยังไม่ไปกราบพระเลยพวางตรจีวรก่นเดินจังกรมเลย <c oughs> เดินอยู่หน้าทะานะเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเดินเอ้วยังเอาจิ้งเอาจังเอเอคนนี้มันก็ยังมีนะนี่คือศรัทธาขี่โมุกเขาคิดว่าจะเอามาให้มันตะวันไม่ตกนะจะเอาห้สําเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะแล้วก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นะเดินเอาจริง้งไปต่างมองใครได้เอาจริง้งเอาจังทั้งนั้น น่มองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะไงง่ายอะไรอย่างนั้นเนด้อพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้นะนมนันมันไม่ได้ปวดหรือบวดก็ไม่รู้มมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอพมันจะมนุูย์อะไรปุบชงออกเลยมันุูยอะไรมาพุบชงออกเลยมันุูย์อะไรปุบ ช, ชงออกเลยอย่างนั้น อตัวจิตสังขานมันปรุงแต่งไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญามันปรุงแต่งก็แยกขยา ย, ายาราย้ายอย่างไรประการหลายสิ่งหลายอย่างขิ่นเล็กขิ่นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็ตัวสังขานจิสตังขานนี้มันก็ค่ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็มันปัญญาดีๆนะเนี่ลแต่ว่าเมื่อถึงค่าวมันแล้วนะ่ะหาความจริงไม่มีอะไรอย่างนี้ ไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจมันทุกเกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรแล้วนะ่ะมันจะมีปัญญาอะไรมั้มันตัวสังขารทั้งนั้นนี่ ย, ย อ, อย่างนั้นอิงพระจะดีกว่าพระจะดีกว่าที่เคยผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นให้แอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าใกล้ๆพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเน่นนะ ยังอยู่ทุกวันเนี่ยแอบกับไปหาท่านเถอะอะไรเดีคืออนิจังน่ะแอบกับไปหาท่านที่ไปกราบทันดีอืือันนี้จังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นเนี่ะหยุดได้ตรงนั้นเดี๋ก่อนถ้ามันมองโอ้ฉันเป็นโซดาันเี่ยไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่โซดาแล้วก็ไปกราบท่านเลยจะเห็นว่าท่านจะบอกว่ามันไม่แน่อืม เป็นอนาคามีถไปกราบท่านแต่มันไม่แน่ท่านจะบอกอยู่คาเดียวว่ามันไม่แน่อืไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านแต่ไปยิ่งเอาใหญ่นี่ไม่แน่เราจะได้ฟังธรรมของพระมัง่งคือไม่แน่แต่ก็ไม่ยึดนั่นเองนะมันไม่แน่อะไรเป็นอะไรแต่ไม่ยึดอย่าไปยึดงูงูปลาปลาไปยึดแต่ไม่วางจับไม่วางอืม พระองค์ท่านยึดมาดูด้ลท่านวางยึดมาดูเป็นสมมติเฉยๆผลที่สุดก็สรงให้วีมุดมันเป็นใสๆอย่างนั้นอะไรก็ไม่รับเลยก็ไม่รับเลยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกต้องมีสมมติต้องมีบัญญัติต้องมีสมมติต้องมีวีมุดอะไรก็เฉยไม่รู้เรื่อง น, นก็ไปอีกแบบนึงแล้วเนี่ย น้ำบาบเหมือนกัน ม, มันรับอยู่ข้างในก็ไม่รู้จัก อ, อ, อยังท่านอาจารย์อาจารย์เลี่ยมที่มาจากภาคกลางนะผมเนะ่อายุพรรษาท่านแก่กับผมพรรษาหนึ่งแหมเราก็มันกิเยดหลายยังว่าพูดอะไรทำอะไรก็ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรมันแ ย, ยบกายนะ ยกตัวอย่างเช่นไปวินทบาทเราก็มีพรรษาน้อยท่านก็มีพรรษามากเดินไปออกหน้าไปท่านสังรวมดีหรือเกินทางมันแวะไปไหนก็ไม่รู้เรื่องบางทีเข้าข้อโคเขาเราบอกอท้ายท้ายท้าขวาขาท้า บางทีบอกทั้งใช้โพไปทั้งขวาห น, น่นั่นสังรวมเนะ่ยไม่ต้องระวังก็เป็นได้เหมือนกันในแบบทั้งรวมบางทีเข้าป่าเขาลกเขาไปในสวนเขาไปที่ไหนก็ไปฮะที่เราไม่เคยไปเนะ่ะแล้วไม่สังเกตเหตุการณ์เลยนะีะยเราก็บอกที่ใช้บางทีไปทั้งไปทั้งขวาเลยใช่ใช่ไปตามทางอันไม่ด่าเป็นไงก็มาคิดดูแล้ก็ นี่เราก็สั่นอาจารย์เรียกใครนอมีปัญญาหรือใครไม่มีเนาะหรือจะปล่อยสันไปอย่างงั้นเด้อือนี่อันนี้ก็แบบหนึ่งนั่นเรียกว่าพระสังรวมไม่ต้องระวังไปท่าเดียวไม่ต้องระวังอันนี้มันก็แปลกนะ <c oughs> สุปการได้อย่างที่เคยเห็นมานี่ก็ ผู้ถึงปฏิปทาเท่าที่เคยได้พบกันมาสหาทรรมิกไม่เห็นมีอะไรกันอยู่ไปตั้งพรรษาสองพรรษาก็าไม่มีแสดงความรักไม่มีแสดงความเกลียดอยู่ไปดีเรื่อยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะนนะอยู่ไปอย่างนั้นเลยไม่แสดงถึงความรักไม่แสดงถึงความเกลียดอืม อยู่ไปดื้อตั้งสองปีสามปีก็อยู่กันไปได้ น, นี่ก็แปลกเหมือนกันอย่างนี้ก็มีหลายอย่างไอ้เรื่องเจดีย์ของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละวะพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่มันชอบเจดิตเราก็มีที่ไม่ชอบเจดีย์ของเราของของเราก็มี ไอ้จริงที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นมันไม่แปลกอะไรกค่คนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ไอ้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของหนึ่งอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองเราว่าเราดีว่าเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกอะไรนี่มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเอง ว่าเองขึ้นเองพูดขึ้นมาอย่างนั้นทรรมนี่มันจึงเป็นเครื่องปีจันปีใจเลยยากเหลือเกินท่านผมยังบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนัะ่นแหละธรรมะเรื่องในสกลนรคนี่ทั้งหมดมันมารวมกิ่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังออนิจจังลองดูสิใครจะนักเป็นปฏิบัติ ผมคนมาตลอดกะยี่สิบ 20, 40, สี่สิบรรษาผมเห็นเท่านั้นเลีวก็อดทนอันหนึ่งเลีวก็เขาใกล้ธรรมะเขาสั่นอนิจังมันไม่แน่ใจมันว่าแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่นี่ใจมันจะยึดมันมามันแน่ที่ไหนก็เดี๋ยวมันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันวีนอยู่อย่างนี้ อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าก็ดันไปอยู่อย่างนี้ตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันปเปลี่ยวเปล่านะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้สึกที่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระมันเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้น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 มันเป็นของกรรมกึ่งอยู่อย่างนี้ก็พูดตามความจริงแล้วก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีดีมุดเอ๊ะผมผมเคยได้พูดให้พระฟังสันส้น แต่ก็บางคนอาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักที่สำนัก ท, ที่เราปฏิบัตินี่ อ, อาการเราปฏิบัติมันจะไปลงตรงนั่นแน่นอนไม่ไปที่ไหนมผมเคยพูดว่ารีบเืนไปแล้กกวก็รีบกลับมา แล้วก็รีบหยุดอยู่มีเรื่องแรกมันเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ผลที่สุดจนเกิดเกิดความรู้สึกขึ้นในที่อันนั้นนะว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดเพราะมันหมดหมดแล้ อย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นเนี่ยมันหมดแล้วมันสิ้นคีนาซาโวเดาสิ้นเนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดไม่มีไม่มีหยุดก็ไม่มีเดินก็มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้อปัยพีนาไว้ <c oughs> ให้มันชัดในจิตของเจ้าของ ตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆมันจะไม่มีอะไรจริงๆ <c oughs> โดยมากคนมันเชื่อสังขารความปรุงแต่งปีนี่ในพรรษาก็เลยไม่ไปเยี่ยมพระใหม่ก็เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรมากแล้วอยู่ตรงนั้น พอดีปีนี้ก็มันจะออกพรรษาแล้วนี่ในคนสบายยิ่งยิ่งใครยังชั่วมาสองสามวันนีน้แต่ฉันจังหันสองสามวันวันนี้มีกำลังพูดเล็ ก, เกน้อ ย, อ, ยอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่านี่มันก็เป็นก็พูดที่มีปัญญามีความฉลาด ผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั่นมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะรูสภาพต้นไม้ก็ได้ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบบแอบบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมนีไปโน่นทำไมมันสินยังไงใครไปบอกมัน นี่นี่คือธรรมชาติธรรมชาติเนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะบางทีโอนไปนในทางถูกก็ได้โอนไปนในทางผิดก็ได้อันนี้มันยังอยูย่เปล่าหนึ่งแต่ว่ามีความมันมีความรู้สึกต้นไม้ธรรมดาหรอถ้าปู่ติดกันเนี่ยตัตหนึ่งมันโตต้นหนึ่งมันโตก่อน ตัวนึ่มันตัวที่หลังอ่ะชอบอยากแอบแอบไปทางนอกโอนออกไปทําไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไม่ใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างตันหาคือความอยากนําเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัญหามันจะพิจารณาตัญหามันจะเขย่าตัญหาคือความอยากนั่นให้หมดให้เบาให้บางไปเองมันอืมเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆใครไปบอกมันใครไปจะผิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทําไม่เป็นแต่ว่ามันออกไปได้มัอนกัน ตรงนี้มันคับมันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายตัวมีปัญญาอืมเท่านี้ก็รู้จักว่าเป็นธรรมะชั้นชาติตายันของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทําให้ออกยิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละอ่าเราบวชมาในพมจรรพันต์เปิดพฤติพมจั์นี้เพื่อหวังหวังมันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราควรย่ำ ม, มันก็ไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็ น, ป น, นทุกข์ยังเข้าไปใกล้บางทีก็รู้มันเป็นธรรมะที่นะ่น อย่าไปรักมันหรือใจไปเบียดมันหรือว่ามันไม่แน่ของนั้นที่เราก็แอบต่อหาพระมันก็หมดอย่าลืมอันนี้อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละมันก็รู้จักนี่หนะทําไมมันอยู่แบบนี้คนมีปัญญาดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้มันดีมากในความเป็นจริง ตัวผมที่ได้ปฏิบัติมานี้นะไม่ได้มีครูบาอาจารย์ดึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่ผมสอนมาแล้วไม่ค่อยมีมบวชไปบวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะสุดไม่มีใครจะมาเทศเอาที่วดัดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครอนะ ศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจานาดูเดินไปดูหาดูไปหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทั้งหูเลยยินก็อว่าเออมันไม่แน่ทั้งตาเห็นมันนี่ก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ ดินมันได้รถมามีกระเดี่ย ว, วมันมันไม่แน่พระแม่บทของมันก็คืออดทนขันติความอด ท, ทนทนมันไปฮะอย่างเนี้แต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เดีย ว, วมันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งมันเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในเบญหารเขาทําสถาปนิกเขาทําอย่างดีบางแห่งมันเล่าเลย นี่มีเพื่อนทำแมอันนี้มันน่าเสียดายนะมันเล่าหมดนะผมเคยพูดว่าอย่าท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสินะ <_ d ata> อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมะอันจริงสิอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางลอยไปอย่างนี้นะ <_ d ata> ทั้งทังตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายอยู่ที่มันเล่าอย่างนั้นนะอืม อก็ยังปักใจขึ้นมาพูดให้มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนได้เปล่ยตัวด้วยทบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังปักกับไปหาธรรมะยังงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่พูดอย่างแรงกับไปเพื่อนไม่ยินบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนก็ได้ยินของเรานะั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์ครับมันเป็นประโยชน์ แั่นก็มีประโยชน์หลายหลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้อืถ้ามีเพื่อนเหมือนลุงพอ่อโยงคนนั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างงั้นอย่างนั้ น, น, นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่อย่างงั้นอย่างนั้นอ ย, อย่างนี้เป็นต้นโหยมันสั่นขึ้นนะนี่นะเออได้ยินเขาว่ามันสั่นขึ้นนะนี้นี่นี่คืออารมณ์คืออารมณ์แล้วก็ต้องรู้มันทุกข์กเบียดนิ้วอะอารมณ์่ะ อารมณ์เนี่ยมันรู้เมื่อไรบางทีก็มันตั้งใจขึ้นเนี่ยเหี่ยมโหดกันมาในกิตของเราบางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั่นจริงๆเปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วเนี่ยมันด้วยไม่แน่ไปอีกแล้วอย่างนี้เราจะเราจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นทำไมมากมายแล้วก็รู้แล้วก็ฟังอดทนพิจารณาแล้วก็ไปตรงเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนดอกเขียนดอ ก, ดอกถึงนั้นจนมันหมดไม่ได้อคำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราศนี่จําไว้คำพูดอัะไรอืมปราศจากอนิจจัง คำนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญาตัวเราเองถ้าไปทิ้งอา น, นิจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบอัพบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจมันเหตุจะเศร้าใจก็เด้ออันนี้มันไม่แน่ถังมันแรงกันไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละ อย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวเลยจุดนี่เป็นจุดที่สําคัญจุดตายเลยนะนี่<ะ>นี่คือจุดตายอย่าไปทิ้งเลยนักปฏิบัติจะไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้หวังว่ามีทุกหวังว่าผิดเป็นประมาณเนี่ยถ้าเอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเจ้าของเนี่ยเชื่อแน่ว่ามันผิดเพราะมันก็จะถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะดักนี้มันดีมาก <c oughs> นี่ไ อ, ไอความไอความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นวันนี้มันก็มีเท่า น, นี้ไม่มีอะไรมันมากก็เห็นอะไรท่า น, นศักดิ์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเวทนาสักดว่าสัญญาสักดว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยมันจะแน่นอนอะไรเอืม ถาเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็คลายความกำหนัดคลายความรักไข่คลายความยึดมัน่นคลายความถือมัน่นทําไมมันถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชาจะมาเป็นวิชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละ วิชามันจะมีขึ้นมามันก็ต้องคลอดออกจากอาวิชาตัววิชานี่นะมันคลอดออกจากวิ อ, อวิชาจะเป็นตัววิชาขึ้นมาตัวรู้นี่มันจะคลอดออกจากตัวไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรปกเนี่ยเอ่มันเป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอานิจังคือพระ นี่พี่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเราเนีพยานแล้วหนึน่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันก็ว่าพิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้่อมันก็กลัวทำมานใช่เหมือนกันแต่ว่าใช่มากก็ผิดนะ มันขอสเสรื่อยนี่ถ้ารรเราพูดแต่ไปซึ่งดีกว่านั้นอีกพิกุแปลว่าพู้เห็นภายในสงสารมันซึ้งไหมล่ะเออนี่มันไม่ไปในรูปนั่นเวน่าไร น, นี่มันความเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นมันซึ้งกกันอย่างนั้ น, นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้น เข้าใจในธรรมะไม่ถ่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเขาไปถ่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดความรู้สึกในกจิตของพระอริยบุคคลจะพูดอะไรก็ไม่พูดจะทำอะไรก็ไม่ทำจะคิดอะไรก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนในผู้อื่นมีสาหรับฆ่าตัวอิจฉาพยาบาทเนี่ยนี่ ถ้ามันคิดมไก็รู้เรื่องว่าอันนี้จังเข้าเต็มตัวมันเลยมันถอนตัวมันนี่ออกมาให้อันนี้เราให้มันอิ่มอยู่เวยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไรเราก็อยู่ใกล้ธรรมะเหมือนนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตาปลายเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้น แด้เราจะพ้นความทุกข์ในวันตาสงสารมิวันใดกว่าวันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระจะไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทําอยู่ <c oughs> นี่ <c oughs> ยังไม้ก็ต้องติดต่อติดตามเรื่องปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทํางานอะไรอยู่เราจะนั่งจะนอนดู เราจะเห็นลูกหูจะฟังเสียงจมูกรวมกลิ่นรินมันริมรถโคนตาปาตรวต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอ <c oughs> ย่าไปทิ้งพระอ <c oughs> ย่าไปทิ้งพระอ <c oughs> ย่าห่างพระ <c oughs> นี่ก็เรียกว่า <c oughs> ผู้ที่เราเข้าถึงพระในไหว้พระยทุกเวลา <c oughs> ตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรหังสัมมาสัมปุโทโธปการวาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกันกับแปลว่าพิกพิกคุแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็พราแปลอย่างนั้นี่ถ้าหากแปลว่าอย่างดีที่สุดสุ ข, ขุมเนี่ยพิกคุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้คุณบ้านกัน อมันที่แบบว่าเราทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นมันก็จะเทียบได้ว่าพิกขุผู้ขอถ้าเราก็ไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนันตาอยู่ทุกเวลาเอเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นดิ้นดิ้มรสอยู่มันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าพิกขุภผู้เห็นไฟในสงสารมันซึ่งกันอย่างนี้ แล้วก็มันตัดได้หลายสิ่งหลายอย่างถ้ามันเห็นธรรมะอันนี้นล้วมันจะมีความรู้มันจะมีปัญญาต่อไปด้วย <c oughs> อันนี้เรียกว่าปฏิปทาให้มีความรู้สึกอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติของเรามันจะมีความถูกต้องดีกว่า <c oughs> ถ้าคิดเช่นนี้พิจารณาเช่นนี้มีอยู่ในใจถึงแม้ว่ามันไกลจากครูบาอาจารย์มันก็ยังใกล้มันก็ยังใกล้ค ร, ครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละ <c oughs> ถ้าว่าคนเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ร่างกายของเราจิตใจมันไม่เข้าถึงอืมันก็อยู่ไปก็พอให้โทษครูบาอาจารย์สรรเสริญครูบาอาจารย์ ครูอาจารย์ทําถูกใจก็บว่าทันดีถ้าทําไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีก็ไปไปฏิวัติอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่เห็นมันได้อะไรไปมองดูคนอื่นว่าไอ้คนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอยู่อย่างงั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรมากมาย น, นี่ถ้าเราเข้าใจในะธรรมะข้อนี้เราจะเป็นพระขึ้นเดี๋ยวนี้อืม มิจฉาเหตุผลที่ว่าผมห่างไกลจากลุกศิษย์วันนี้ปีนี้พรรษานี้ทางพระเก่าพระใหม่พระนวักะ <c oughs> ไม่ค่อยให้ความรู้ความเห็นมจะให้พิจารณาเอาเองให้มันมากอันนี้มีถ้าเรามีข้อกดพระใหม่ที่จะเข้ามาผมบอกไปหมดแล้ว อย่าไปรักกันอย่าไปคุยกันอย่าไปทาําฝ่าฝืนขอ้อกตกิกาที่ทำไปแล้วนะนั่นแหละคือทางคือทางมรรคผนิพพานแล้วถ้าใครไม่ถ้าใครไปฝา่าฝืนข้อกติกาอยู่นั่นมันก็ไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่คนตั้งใจมาปฏิบัติแล้วจะเห็นอะไรถึงแม้จะนอนอยู่กับผมทุกคืนทุกวันมันก็ไม่เห็นผมหรอกจะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ปฏิบัติ เท่านี้แหละไม่มีอะไรนั้นการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าก็ให้ทำตามพระพุทธเจ้านั่ น, นสำคัญได้ <c oughs> มันเกิดความรู้สึกหลายอย่างนะปฏิบัติเนี่ยบางทีมันคิดต่ำไปจนถึงที่สุดมันนะบางทีมันสูงไปจนถึงที่สุดมันนะ มันที่จะวางที่มันพอดีพอดีเป็นสมาปฏิปทาเนี่ยมันด้ยากเหลือเกินมันแรงมันพูดมันแรงขึ้นมันก็ขึ้นสูงตกมันก็เจ็บรงมันก็รงทางร่างขึ้นมันก็ขึ้นยากมันเป็นของลำมากฉะนั้นการรู้ธรรมะการเห็นธรรมะมันอยู่ที่ปฏิบัติ <c oughs> ขอเรามีศรัทธาเธอะที่จะบวทกรรมาใหม่มาเก่าอะไระในภาษาเนี่ยเราต้องทําจิตของเรามันดีเลยคนในวัดทั้งวัดทําใจให้รู้สม่ําเสมอสับทุกคนเราจะไม่ต้องไปให้โทษใครไม่ต้องไปให้ปุลนใครไม่ต้องไปดังเกลียดใครไม่ต้องไปรักใครถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้นให้มันมีอยู่ที่ใจมันยังดูถนัดนะ ดูไปทัานเนี้ยทางอะไรมันมีอยูงง่ในนี้ก็เรียกว่านั้นแหละเ้วจะไปผลเราตัดไม่ได้แล้วตัดไม่ได้เอาอันนั้นมาพูดมันก็เป็นนักเลงโตกันหมดทั้งนั้นเนี่ยอืายติว่ามันตัดไม่ได้ต้องพยายามนี่ตัดไม่ได้ก็ต้องขูดมันทีขูดกิเลสไม่ได้ยินเนี่ยขู ด, ดกิเลสเล่ากิเลสนี่ย น, นะไมนให้ตัดมเมื่อไรขูดมันดอกแต่มันเหนียวแน่นนี่มันเป็นอย่างนั้นใช่ ไม่ ใ, ใช่ามันของเลยตามป่าถนาตามใจของเราเนาี่ยมะจิตแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งย่างั้นคนจะทําผิดเอนี่นะต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลังนี่มีฉะนั้นท่านจริงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ท่านจํากับไว้อยู่เรื่อยเรื่อย แต่เราก็ไม่จกจะดูรบไปดูพระไกรพิดุกพี่มันไม่เที่ยงที่มันมีอยู่นี่ไอ้ความจริงจงสั้นๆส่งกว้างถูกๆนี่ไม่ค่อยพิจารณากันเห็นไปอย่างอื่นไปซะ อย่าเป็นดีติดดีมีดีอย่าไปติดดีมันมีไร่อย่าไปติดได้มันมีของอยู่ในโลกอันนี้เราจะหนีไปจากโลกอันนี้ให้มันสิ้นสิ้งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าดันจึงห้วางให้ละเพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นหรอกฉะนั้นดันจิง อย่าทำไปตามคิดีิมานะของเราซูมขมยังไงปฏิวัติปีเนี้ยมีผลดีไหมพอสมควรครับมันเป็นยังไงก็พอจะรู้จักขามสมองแล้วนะครับ อย่าไปเชื่อความคิดล้วยนะอย่าไปเชื่อใจแล้วนะอย่าไปเชื่อความคิดแล้วนะอย่าไปเชื่อใจแล้วนะ่ะหลักนี้เป็นหลักให้เราเสียเป็นหลักที่สำคัญ้ อ, องให้รู้เราปฏิบัตินั้นนะเรารู่วา ผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกให้มันรู้จักนี่คือคือการเรียนให้มันรู้จักผิดรู้จักถูกแต่ว่าความรู้สึกแล้วมันก็ผิดอยู่นั่นแหละแต่ตะวัดมันกลับมาได้อืมให้มันรู้จักผิดมันก็รู้จักบางทีมันทําผิดไหมมันทํามันวัยมันประมาทได้ทีก็ทําไปนี่ก็ให้รู้จักว่ามันทําไปให้รู้จักผิดรู้จักถูกกันเนี่ยกลับมาให้มันได้ัองเราอย่า อืมอย่าไปเพ้อฝันกับสิ่งใดสิงหนึ่งมากอันนี้ให้ดูจิตของเจ้าของนะอย่าให้มันเพลินดิอย่าให้มันมากออให้เทศในจิตเจ้าของนะั่นในใจของเจ้าของนะั่นเพื่อสําระอาสวะในจิตของเจ้าของให้มันมากพระพุทธเจ้าของเราเนะ่ะท่านการรัดทรูท่านสร้างประโยชน์ตนของท่านแล้ว ท่านจึงมองหาประโยชน์คนอื่นทำตนดีแล้วจึงทำคนอื่นให้ดีได้สร้างประโยชน์ตนแล้วจึงสร้างประโยชน์คนอื่นให้นะวังเช่นผมอยู่ในวัดนี้พึ่งบวชเข้ามามันจะเป็นอุปนิสัยอย่างไรก็ไม่รู้มันนี่ ไม้ทั้งหลายเหล่านี้ผมหาวันนี้เสาอะไรนี่บวชกรรมาภรษาสองภาษาเนี่เขาจะให้ผมสร้างศาลานี่ผมจึงไปขออนุญาตไม้ทั้งหลายนี่มาไปกับคิดไปเรื่อยมากกับคิดให้เขาบรรทุกไปลากไม้นีมาในวัดกลางคืน มานอนพิจารณาไปเพียน้อยเอเราจะสร้างตลาใหญ่เนี่ยสร้างวัดเนี่ยมันก็เป็นเปรตอยู่นี่ท่า น, นแล้วใครไปบอกมันก็ไม่รู้เปรตเจ็บเป็ น, ปนยังไงมันบูชาบางทีอาจจะสายเกินไปด้วยบางทีอาจจะเข้าไปลึกกว่านี้อีกอาจจะไม่ได้ทำแล้วคิดอยู่คนเดียวตอนเช้ามาแต่ลาโยมเลย โยมไปเที่ยวซะหน่อยก่อนนะเก็บเสานี่ยว่ายทำอะไรไว่าเหรอไปเที่ยวอะไรจะกลับเหรอไม่รู้ผงก็องได้ไ ป, ไ, ปไม่รู้ว่าอะไรมันบังเอิญจะให้ทำอย่างนั้นถ้นนนาว่าผมทำอยู่เนี่ยสมัยก่อนนะบุญญาบารมีมันก็ น, น้อยอาจจะสร้างไม่ได้อย่างนี้รับ ให้สร้างที่นี้ไม่ได้อืบางที่อาจจะผมู่ติดใ น, ในที่คุมขังนี่ี่ก็ได้ครับไม่ต้องในปฏิบัติธรรมะเสียหายนี่บาดนี่ผมยังรอดมาบูดวิดมาเอาตัวรอดมาเลยมาปฏิบัติหยิบเอาชีวิตเนี่ยเกิดมานี่ไปปฏิบัติหลายสิบปีออกไป บัดนี้จึงได้มาวนกลับมาตรงนี้ผมคิคด ว, ว่ามันพอสมควรอายุมันหกบกว่าแล้วนี่ก็คึด ว, ว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วกลับมาทาอยู่นี้ครับมาอยู่นีอ่อันนี้ก็คือเรื่องมันเป็นไปเองของมันมเรื่องมันเป็นไปเองของมันไม่ต้องคิดอะไรมันว่ามันเป็นไป ดูความเป็นไปของมันเราทําใจให้เราให้มันตรงเท่ั้นก็พอมันพอที่จะช่วยนน้ก็ช่วยมันไปพอที่อะไรก็ทําทํามันไปบางคนก็เห็นมาผมเนี่ยมันมากๆมากระเวียนมารดชายที่แรกนํำพระพิสุออกอยู่ป่าครับไปเห็นว่าอยู่บ้านมันวุ่นวาย ออกไปก็ไปสืบ ก, กันอยู่ป่านั่นแหละไม่เห็นมันจะสงบอะไรมากมายมันก็สืกกันอยู่ป่านั่นเนี่ยบุญบายอยู่ป่านนั่นแยะไปผมก็ดูอยู่เนี่ ย, ยที่นี่จะกลับเข้ามาดูสุดที่มันบุญวายจะเป็นยังไงในบ้านตกลงแบบคนอยู่ในบ้านมันก็สึกหม ด, ดทธาคนอยู่ในป่ามันก็สืกไปเหมือนกันใน ม, มีใครเจนารึกซึ้งอะไรมันมากมาย ก็เห็นว่าไอ้ความสงบนั้นมันอยู่ี่จิตของเราชำระมันซะสามมาสิที่มีความเห็นชอบตั้งขึ้นในใจของเราไม่อยู่ที่ไหนแค<ม>่นั้นจีนี้จึงตัดสินใจวันเขาพรรษาก็าถึงเข้ามาในนี้<ม>แต่ก็ยังดีลูกศิษย์ตุวหาใครมีปัญญาจะมีกำลังมากในเวลานั้นมัน ปวดที่สะพอปวดก็มาก็ฉันยาปวดหายลงไปมันก็หายเท่านั้นเองสมมุติวัดนี้มันปวดที่สะไม่ต้องฉันยาปวดหายให้มันอดทนเนี่ยมันหายมันเองนะให้มันแก้มันเองนะใครมีความกัดข้ออะไรพึนแก้เลยตนเองให้มันมีปัญญาเราจะมีกําลังต่อไปดี มีอะไรขัดข้องไหมนะฝ้าใหม่นี้ไหมมีอะไรไหมนั่นแตั้งใจให้ทำเป็นอะไรอยู่มันก็นยังไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูพุถะเป็นผู้มีปัญญาหลายท่านของพญามันเท่าให้มันพ้นจากทุกข์ คือหลับซึ่งความเกิดทางภายในในภายนอกให้มันได้่เป็นอะไรมันจะเกิดเป็นโน้นหลับมันมันจะเกิดเป็นนี่หลับมันมันจะอะไรใหญ่มันเกิดมันหมดอะไรทุกอย่างอะไรแต่ว่ามันประโยคสั้นมันไม่จบนะที่ว่าทำมันมันหมดเนี่ยเมื่อเราไปทำอะไรจะไปขึงขยายมันออกกเรียกว่ามันจะหมดเลยอะ อยู่ให้มันสบายได้สิ่งที่ได้สิ่งที่มันมันจะถูกต้องก็สบายไม่ถูกต้องเราก็ให้มันสบายคือความเห็นนี่มันสบายให้มันหมดเรื่องตทิปปฏิบัติอย่างโน้นปฏิบัติอย่างนี้ทำที่โน้นที่นี่ดีแล่วอย่าไปมุ่งมาเลยไม่มีอย่างนั้นหรอกที่มันดีคือที่เราคิดถูกทำถูกความเห็นชอบนี่แหละ ถ้าเราไม่มีความเห็นชอบแล้วไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไปถูกหรอกไปอยู่ที่ ไ, าาไห น, าานก็ช่างมันไอยู่ในป่าในรกอยู่ในอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็ชังมันเถอะมันไม่สบายมันไม่สงบหรอกถ้าเราเห็นไม่ชอบถ้าเราเห็นชอบแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็สงบลดลงอืการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าการยืนหรือการเดินหรือการนั่งพระพฤติโอไม่ได้กําหนดหรอกกำหนดที่ว่าความเห็นชอบ เมื่อมันชอบอที่การเดินมันก็จบเป็การเดินชอบที่การนั่งก็จบที่การนั่งเมื่อมันเห็นชอบที่การนอนมันก็หมดที่การนอนดิยาบททั้งสี่นี่ให้น่วังนั่นแ่ละมันจะไปคิดอะไรมันมากมายเลยใครใครเก็บเราก็จะไปคิดอะไรมันมากบางทีมันจะโลกกาเริบขึ้นก็ได้มันเป็นเหตุกำเริบขึ้น อยอะมอยนกอนอย่ะไรมันมากมียาพอฉันก็ฉันมันไปอะไรไปคิดอะไรมันมากไอ้เมันมุดไวายไ้มันเป็นปัญหาขึ้นเพอจะเรียนถามข้อใจบางานนน้กท่าคุณลกเคยเคยเล่นเรื่องอาการของจิต ที่กีเลศมันอบลไมไว้ซึ่งท่านผูรู้ดูอยู่ผมเองอยากจะขอประทานาอาการให้พระพุเจาอธิบายให้ชัดเจนในนิจด้วยหน่อยอาการของจิตเหรอที่กีเลศอบรมเออซึ่งท่านรูรู้ดูอาการของจิตซึ่กีเลศอบรมอยู่ใช่ม้รับว่าจิตมันเคยปีนอย่นั้นดีนะเรั่องใช่ใชก็มันแผลบถลายไปอยู่เช่นว่า พูง่ายๆอย่างอย่างภาษาดิบุตรกิเที่อบรมสมัยก่อนนั้นท่านเป็นลิงท่านเคยเป็นลิงมาภาษาดิบุตรเมื่อทําความเพียรเนี่ยท่านก่อนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แทนว่าลักษณะกิเลสที่มันอบรมนะัะยังมีอยู่ในใจของท่านอย่างท่านเป็นลิงมางที่บางทีท่านเห็นห้วย เห็นต้นไม้อะไรต่างๆท่านจะข้ามบางทีก็นึกขึ้นในใจกระโดดข้ามไปเหมือนดิงเนี่ยนี่คือที่มันอบรมไว้อยู่ในนั้นมันมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่จริงหรอกมันโดดไปเฉยๆทำอาการอากับเหมือนริงมันนึกสนุกขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนั่นเ่าแต่จิตจริงๆของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอาการของจิตของท่านเพราะความชานาญความเคย ของกิเที่อบรมไว้มันเป็นมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งบางคนชอบพูดเล่นแต่ว่าใจไม่เล่นอย่างนั้นแต่อาการมันพูดอยากจะพูดเล่นพูดจะให้คนหัวเราะ อ, อะไรมันมีบางคนเน่ยแต่ตามเข้าไปความจริงเนะี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอีกนี่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของจินเลสที่อบรมไว้ในความเป็นจริงนะ่ะพระสารีบุตรท่านก็ถึงเป็นพระอรหันแล้ว แต่ว่าความคันนองทา ง, งจิตของเก่าน่นะกรรมเก่าน่ะเอะมันอยากจะเอาวิ่งไปมันอยากจะโดดอ น, นี้เหมือนลิงมันกเป็นขึ้นเป็นบาดเข้าแต่ว่าการเป็นนั่นอ่ะไม่มีอะไรออันนั้นเป็นอาการของจิตที่ที่เดีทางไรอบรมไว้ชํานาญเนี่ยแต่ก่อนไม่มีทุกข์มไม่มีโทษไม่เห็นผิดอะไรต่างๆไม่เป็นอะไรตรงนั้นอันนั้นแต่ว่าอากับกิริยานั้นที่เดี๋ยอบรมไว้นาน แต่มันเป็นแต่จิตใจ เ, เจตนาก็ไม่เป็นไปตามนั้นตามความจริงอันนี้ท่านว่าวาสนามิดใสยมันฝึกมันได้ละมันได้วาสนานั่นแหละมันละได้แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสาวกทั้งหลายมันละไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของจิตที่เล่น ที่เคยเป็นสัตว์มาที่เคยเป็นสุนัขมาที่เคยเป็นอะไรมามันยังแสดงเป็นบางครั้งอยู่อันนี้บาว่าศาสนาที่อบรมมันยังละไม่ได้ได่ไม่เป็นภัยอะไรคือมันยังมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอ ม, มันชนานาญมันเคยมันคล่องมาเป็นนิสัย อ, อันนั้นยังมีอยู่แต่ท่านแต่ท่านมีความสติภายในเป็นอย่างฮะ แต่แต่แต่ความความรู้สึกภายในของท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่เป็นอีกอย่างหนึ่งคย่างไม่ไม่ไม่เป็นไปตามการกระทําอย่างนั้นมันเป็นสองชั้นเมื่อใครค้าอีกอย่างแล้วก็พูดกระเด็กอย่างนี้เราจะพูดกระเดกเนี่ยเราเราเป็นผู้ใหญ่เราจะพูดกระเดกเราก็พูดแบบหนึ่งถ้าพูดกับผู้ใหญ่เราก็พูดแบบหนึ่งคือเรารู้เรื่องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อย่างนี้อันนี้เปรียบเป็นอย่างนั้นอืมพูดอย่างใจอย่าง ขุดง่ายซะพูดอย่างใจอย่างอและ้วไม่มีจะเป็นเจเลหรือข้อใหม่ไม่เป็นเจเลสเป็นบาปหรือข้อใหม่อันนั่นเทว่าอากับปัญญาของจิตที่ทุบกิเลสทางไตรโอรมานานอันนั่นเป็นอาการของจิตไม่มีเจตนาจํานงมั่นหมายว่าให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไร ความรักความชันของคนเรานี่ยจะเป็นอาการที่เฉยๆเหมือนได้ใช่เป็นเป็นแต่ว่าอาการของความรักความชันก็เป็นพิรุธมันมีอุปทานหรือเปล่านะถ้าไม่มีอุปทานนั่นแหละเป็นอากาศียาเฉยๆขึ่งเคยอบรมไหมอบรมไวเท่านังง้นมีถ้ามีอุปทานเนี่ยไม่ใช่ความหมายมัน่นมีภพมีชาติต่อไปอีก อาการนั้นไม่มีอุปทานอะไรแต่ว่ามันเป็นอย่างอุปทานไม่มีมันเป็นอาการของกิริยาของจิตเป็นของจิตที่อบรมไว้ถ้าปฏิบัติของเราก็ตัดตัวอุปทานก่อนใช่ไหมใช่ที่เหลือก็เป็นอาการโดยปกติเป็นอาการโดยปกติดดให้มันปกติแล้วก็รู้จักเรามีอุปทานหรือเปล่าแล้วก็รู้จักของเราให้รู้จักตัวอุปทานถ้าไม่อุปทานเนื้อมันเป็น ภพาติแน่นอนวางมันได้นั้นที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องบังคับมันมันอยากจะไหวตัวมาไหวแต่เราไม่ทําตามใจเราต้องรู้เรารู้เท่าทันมันใจเรารู้เท่าทันมันอืการปฏิบัติอยู่ที่สุดแล้วมันจะไหวตัวไหมครับหรือมันจะไหวอ ย, อยู่อย่างนี้แต่เราก็รู้เท่าทันมันไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ใช่มันก็ได้ไม่ใช่มันก็ได้แต่มันไม่ไหวใช่โดยตาอยู่ถูกต้องมไม่มีไม่มีอะไรครับไปขั้วบนในตรงนั้น<ม>อย่างเอออาการของความรักทำไมเราเคยรักคนมันเป็นยังไงอาการมันน่ะนี่เราตรูร้จักแล้วที่นี่อาการของความรักมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักแต่ไม่มีอุปทานนี่เข้าใจอย่างง่ายง่าย รักอยู่แต่ว่าอาการของความรักมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีอุปทานเป็นอาการที่ดิตอบรมมาที่เราเคยมาแล้วเราละมันได้คือว่าเสียงมันไพเราะไอ้ที่เรียกว่ามันมันไพเราะมันไม่หายของมันหรอกแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันไพเราะอืแต่ไพเราะนั่นรู้ขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีอุปทานนี่อาการไพเราะเรารู้จักเพราะเราเคยเพราะมันเคยอบรมมาแล้วนานนี่ อืมไอ้ความรักความโกรธความเกลียดนีนะ่อะไรที่ความรักเกิดขึ้นมาอุปทานหรือเปล่าความเกลียดเกิดขึ้นอุปทานหรือเปล่าเราก็โพูดขึ้ น, น, น เ, เลยนะ อ, อันนี้เราจะรู้จักตัดชินเอาเองของเราเราะอันนี้ดูแล้วก็รู้จักมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้รู้จักเลยไม่มีอะไรแค่เราอยู่ไปไม่มีอะไรไม่ต้องค้นมันไม่ต้องคน้น ไ, งคนไม่ต้องสาง ม, มันอีก มีอารมณ์มากระทบความพิจารณาต่พิจารณามีก็พิจารณาไม่มีก็พิจารณาอยู่อยู่เฉยๆดูด้วยความรู้สึกมีอะไรเป็นเหตุพิจารณาก็พิจารณาใช่ไหมแล้วเลือนคนขึ้นดูไปอยู่ธรรมดาแลาวนะั่นแหละพูดง่ายๆนี่ไม่จะอยู่เหมือนธรรมดาหราอกพอจะเหตุเกิดขึ้นรู้จักตามันรู้จักเหตุก็ตามมาถึงผล บางทีรูปฝนก่อนตามไปหาเหตุมันจะเข้ามาทางปลายก็ได้เข้ามาทางต้นก็ได้ ม, มาทางเหตุก่อนก็ ร, รู้จักษ์ ม, มาทางฝนก่อนเราก็รู้จักษ์แตเราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นโน้นเป็นนี่นะอาการที่เข้าใจนั้นก็ไม่มีอุปทานสมาธิคือความตั้งใจมันมันกว่ามัน่นของมันอยู่มันเห็นชัด เมื่อเคลื่อนที่ออกจากที่นั้นเมื่อมีเท่าไรมองดูแล้วก็ไม่มีอุปทานมองดูเมื่ออะไรเกิดมาแล้วอุปทานหมดไม่มีแต่ลักษณะอันนั้นมันมีอยู่แต่อุปทานนั้นไปมีนั่นจะคล้ายว่าทุกการทำ ม, มีอยู่ยังเราทาบุญซะคนนี้งไงซะเรามเมตตาเราทําบุญ แตอุปทานมั่นหมายเราจะเป็นพกเป็นชาติดีชั่วน่น้องไม่เอามันไม่มีแต่ว่าการกระทำความดีนั่นน่ะแต่ว่าเราทําอยู่แต่ว่าเราไมา่ยึดในความดีนั้นไ ม, ไ, ไม่ได้วางอะไรเอไม่ได้วังอะไรไม่ได้วังอะไรยังเอผมทํากับท่านนี่ก็พูดใทดีทําให้ดีๆกะท่า น, นถ้าคนเราเขาต้องมีความหวังอะไร เ, เพื่อตอบแทนี้ผมไม่ได้วางเี่ย ทำดีๆไปพูดดีๆไปไม่ไม่ไม่มีอะไรหวังจะตอบแทนถ้ามีว่าอะไรตอบแทนเป็นทุกข์เป็นอุปทานให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปมันสังเกตง่ายๆแล้วอันนี้มันมันก็อยู่กับเราเรื่องของเรามันความจริงมันจับสินง่ายกว่าเรื่องคนอื่นเข้าใจไหมเรื่องคนอื่นที่อมอมคำพูดมาพูดให้เราฟังอีหนูอีนี่ไม่ให้เราฟังให้เราเชื่อไม่รุนจักเพราะไม่ใช่ตัวเรา ถ้าตัวเราเองนี่มันโอ้ยมันง่ายที่สุดแหละมันเป็นยังไงไม่โกหกโกหกคนเดินโกหกจากของมนุษย์จาการเรื่องพวกมันง่ายให้มันอยู่อย่างนั้นก็พอแหละพอได้หนทางเนี้ยให้ให้เราอยู่ไปโดยรักษณะแบบนั้นในอัปปน า, าศสะสิปัานที่มาโดยชาตริยายนอโยคหมายถึงเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาใ่ไหครับ อันนั้นคือสูตรมันถ้ามีสูตรแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเหตุนี่อันนั้นคือพูดเหตุมันเมื่อมันส่งไปถึงผลแล้วมันก็ผลแล้เหตุมันเป็นคนในอย่างบรรยากาปฏิปทาคือข้อเดยวเป็นตัวอย่างมินซีสังรวมสังรวมมินซีหกคือจางหัจหมูกเดียนใจใจมันอยู่ได้ในรายสิ่งอื่นอันนี้ไม่ต้องพูดมากเพราะกระดานั้นมันมีสติมันรู้จักอยู่แล้วมันสังรวมอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วเ<ม>อาปัญกาปฏิปทาข้อดปฏิบัติไม่ผ<ม>ิดอันนี้มันเป็นสูตรของมันเพื<ม>่อให้ทั้งบอนทั้งรวมตามไม่ได้ยินดียินร้ายทั้งหมดไม่ได้ยินดียินร้ายแต่มันได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ว่ามันไม่ยินดียินร้ายคือไม่มีอุปาทานนั่นเองการบริโภคอาหารเจบพอควรมไม่มากเว้นห้อย อันนี้มันก็ยิ่งยิ่งของมันเนี่ยมันดูจักประมาณกายประมาณท้องของมันอือใจเธอใจเรียกว่ก็เรื่ความเพียรอย่างนี้ไอ okay, ้ความเพียรนั่นมันก็เดี๋วสม่ำเสมอมันสม่ำเสมอของมันอย่งไรลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นรูดตัวหมดมันมีความเพียรอยู่อย่างนั้น้ความเพียรเมื่อใจไปเดินเดินเพียรเมื่ใจไปนอนเพียรเมื่จไปนั่งเพียรรู้เพียรรู้เพียรมันรู้เพียร อย่างเง้นเดินก็ไม่ว่านั่งก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่ามันรู้เพียนเป็นความเพียรทางจิตถ้าจิตมันตื่นอยู่มันรู้อยู่มันก็รู้สึกนั้นนะแต่ว่าเราไม่หลงนะไม่หลงเรารู้ว่าสัญญาเรามันไม่เที่ยงความจริงเรียกคนนั้นทำคนนี้เรียกคนนี้ไปถือคนนั้นพูดอนันนี้ไปถูกคนนัน้นสัญญาอธิจาจะเป็นคนลงไหม น, นะเราตั้งใจแต่มันพูดไปถูกแ่ว่าเราไม่หลง มันเคลื่อนไว้มันไม่เที่ยงตามสัญญาเฉยๆว่บ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่มันเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่รู้ไปตามเรื่องของมันอยู่เป็นอยากอยู่แต่ความรู้สึกอยากอยู่เรื่องกรารจะองกาเนิดไม่รู้สึก <laughs> ใช่คงกำเนิดไมไม่ไม่กำเลิกแต่ความอยากมันมีอาการอยู่แต่ว่าหมดรูปทานแต่พาโร่รู้จักอยู่ว่ามันอยากอยากคือรู้จักอาการมันมันไม่เอาจริงจังไม่เอาจริงจังก็ราะมันเห็นว่ามันใช่เรื่องของมันยังไงมันมีอยู่ยังไงที่นี่ก็อะไรที่มันเหือยนแท้งมันจะเป็นไปเองของมันแม้ตลอดความฝันแม้ตลอดอสุจิเม้ตลอดอะไรมันมันเป็นไปตามสภาพของมันนะ ไม่ต้องเหบังคับอะไรมันเซบาเมื่อเรานึกนึกบางทีมันนึกคือความอยากคือมันเคยอยากมาแต่ก่อนอาการนะมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่อุปทา น, ทานไม่มีอุปทานเลยอย่างนี้มันต้องเกิดกับเจ้าของมันจึงดูจักจีงจังแบบนี้แน่นอนไม่ทุกไม่ทุกเริ่องทั้งหลายเหล่านี้แต่คงจะเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ในจิตของเราเราปล่อยสังเกตจิตของเรามันสบายกว่า คนอื่อยรู้มันอย่าให้ว่ามันไปละ ง, ง, ง, งับตรงโน้นตึนโลกละ ง, งับที่ความเห็นชอบมันแหล ะ, ะไปหมายมันมันตรงน้นตรงนี้เลยแต่โน่นไปนี่ก็ไปเดี๋ไปหมายมันมันไม่ได้เป็นทุกข์จะเอาไปเอาความดีอยู่น่นไปเอาความดีอยู่นี่ไม่ได้ตรงนั้นอากาศมันดีมากกว่านั้นอันนี้ไม่ได้มืนกันแต่ให้มันรู้รู้แล้วคิดแล้วก็ละ ง, งับกัน เป็นเรื่องของเงินนั้นมันเป็นไปเป็นมากหากดูอุปทานมันมีไหมขอจำพรรษมันหาไม่เจอแล้วก็ไม่มี้วอุปทานมันก็มั่นหมายนี่มันไม่มั่นหมาย